มันความทุกนี่มันเกิดมาหลายทางเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายนี่อย่างหนึ่งแล้วก็เกิดจากกิเลสตัณหาที่ยังละไม่ได้นั่นมันเผารนเอาอย่างหนึ่งความทุก ถ้าว่าโดยย่ อ, อแล้วมันก็มีอย่างนี้แหละดังนั้นนะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึกคนจิตนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเพื่อจะได้รู้เท่าทุกตามเป็นจริงแล้วก็เพื่อจะได้ละเหตุแห่งทุกเน้นไปในตัว ก็เมื่อรู้ว่าร่างกายอันนี้มันไม่เป็นไปตามใจหวังมันบังคับไม่ได้แล้วอย่างนี้เราก็มาค้นคว้าดูว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมาก็ตัณหาอุปทานแลเป็นปัจจัย ให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างแล้วเกิดเป็นตัวกรรมขึ้นมากรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละบะนีนำดวงกิจนนี้มาปฏิสนธิในท้องของมันดาอาศัยธาตุของมันดากับธาตุของบิดาประกอบกันเข้าแล้วก็มีบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทำมา เป็นเครื่องตกแต่งรูปร่างอวัยนะอวัยวะร่างกายอของความเป็นคนนี่ขึ้นมา <c oughs> นี่แหละเหตุปัจจัยของชีวิตก็ต้องพิจารณาดูให้มันรู้เมื่อ <c oughs> มันได้รูปได้นามอันนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรเราเพ่งดูอยู่ในปัจจุบันนี้ก็รู้แล้วเห็นแล้ว ถ้าใครไม่รู้ก็ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้เพียนเพ่งพินิดฐ์ดูออถ้าหากว่าเพียนเพ่งพินิษ ด, ดูอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็เห็นนั่นแหละเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งเหตุปัใจจัยให้เกิดทุกข์พร้อมกันไปเลยทีเดียวเลย เ, ออเพราะว่ามันเป็นของมีอยู่แท้ๆนี่นะอันนี้ แต่บางคนเมื่อมันหลงหลายมันก็ไม่ยอมเชื่อมันไม่ยอมเชื่อว่าบุญบาปนี่มาตกแต่งร่างกายนี้ให้เกิดมาเพราะเหตุนั้นเนี่ยมันจึงไม่ยอมละบาปและไม่ยอมบำเพ็ญบุญกุศลสืบต่อผู้ใดมาค้นหาเหตุปัจจัยของชีวิตเห็นด้วยปัญญาแล้ว ผูนั้นก็แน่นอนแหละต้องเพียรละบาปออกจากกายวาจาใจเพราะว่าเมื่อบุคคลใดไม่เพียรละบาปออกไปอันบาปนั้นน่ะมันก็จะตามตกแต่งร่างกายให้ดวงขีดในอาศัยอันไม่เป็นที่พึ่งป่าถนาเห็นไปตกแต่งร่างกายของสัตว์นรก ร่างของสัตว์ดิริชานอะไรโมนี่นะร่างของเปรตนี่มันล้วนตั้งแต่บาปอคุศนทั้งนั้นแหละไปตกแต่งร่างอันนี้ให้ดวงขิดได้อาศัยมึงก็ได้รับทุกข์ทนทรมานไปข้อนี้ก็อีกแหละคนก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะมันมองไม่เห็นด้วยปัญญาเปรตไม่สาเป็นตัวอย่างไร ไม่เห็นอย่างนี้เลยมันนึงก็ไม่ค่อยเชื่อมันจึงทำบาปอยู่นั่นแหละคนเราสัตว์นรกอย่างนี้ก็ไม่เห็นแต่รูปอยู่ตามฝาผานังแต่ไม่ทราบว่าจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อลังเลสงสัยคิดว่านักปราลาดทั้งหลายนั่นวาดภาพหลอกคน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 บาปนั่นนะ่ะมันจะไปดูยากอะไรแล้วดูรูปร่างของคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่นะนั่นแหละคนมีบาปรูปร่างอาวัยวะร่างกายก็ไม่สมประกอบอวัยวะต่างๆบางทีก็บกพร่องไปบางสิ่งบางอย่างบางคนก็ผอมโซไม่มีกําลังรี่วแรงอะไร จะหาเรียงตัวเองได้ก็ไปเที่ยวขอทานกินไปอย่างนั้นแหละพวกตาบอดหมูนี่ก็ไปเที่ยวขอทานเขากินพวกเป็นง่วยเปียเสียขาอะไรหมูนี่นะเมื่อญาติพี่น้องทอดทิ้งแล้วก็ไปเที่ยวละเหเลเลอนขอทานเขากินไปนั่นแล้วใครจะเข้าใจว่ายอย่างไรล่ะรูปร่างอย่างนั้นนะ อะไรมาตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นมันมันหาดูได้ในโลกอันนี้ไม่อดไม่อยากแต่คนอื่นทำไมรูปร่างอวัยวะมันจึงครบท้วนบริบูรณ์มีกำลังวังชาออทมความเจริญให้แก่ตนและผู้อื่นได้ทำไมมันจึงแตกต่างกันอย่างนั้น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 ที่ได้ทำมาแต่ก่อนนู้นนะมันยังไม่หมดในตำราที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เห็นตายแล้วไปตกนรกอย่างนี้นะพ้นจากนรกมาแล้วบาปนั้นยังไม่หมดทขาก็มาเกิดเป็นเปรต <c oughs> หรือเป็นอาุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ เศษบาปนั้นมันจะมีมากมีน้อยเท่าไรมันก็มาตกแต่งให้เป็นสัตว์เหล่านี้แหละก็เรียก ว, ว่าได้รับทุกเบาลงกว่าสัตว์นรกนั้นอีกเพราะว่าบาปกรรมนั้นมันเบาลงแล้วอา้าวพ้นจากเปรตหรือว่าพ้นจากสัตว์ที่ไร้ฉานนั่นมาแล้ว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 บาปให้ผลนะ่ะต้องสังเกตดูให้ดีนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่เลยก็จึงไม่ทำบาปเมื่อจะทุกข์จนหนโลกยังไรก็ตามก็จะไม่ทำบาปอันนี้เป็นความรู้ความฉลาด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 ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะตนไม่มีปัญญานนเนี่ยเอาผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจแต่ไปได้คบคนพานคนพานเขาชักชวนไปทำความชั่วก็เข้าใจว่าเป็นความดีกระทำไปตามเขาถ้าผู้ใดได้คบนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านชักชวนทำคุณงามความดีอันผู้มีนิสัยชั่ว ติดตัวมามากแล้วนี่มันจะทำตามคำชักชวนของนักปราชญบัณฑิตไม่ค่อยได้หรอกก็ต้องอ้างว่าไม่มีความสามารถทำไม่ได้นั่นแหละ ย, ยอมเอาดื้อๆ อ, อ, อย่างนั้นเลยแต่ถ้าผู้มีบุญวัฒนาติดตัวมาบ้างนี่ก็พอมีความสามารถทำตามคำแนะนำของนักปราชญา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 ได้เท่าไรก็ได้ผลเท่านั้นทํำมากก็ได้ผลมากทําน้อยก็ได้ผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินนั่นเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนี่เมื่อเมื่อทําน้อยก็ได้ผลน้อยก็ได้มีความสุขน้อยแล้วเมื่อมีความสุขน้อยแล้วบางกันได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขมันก็เป็นเช่นนั้น ถราผู้ามความดีมากขึ้นไปโดยลาดับมันนี่ก็มีความสุขมากความทุกข์มันก็เบาลงเป็นงั้น <c oughs> หมายถึงความทุกข์ทางใจนะแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี่มันเป็นผลของบุญของบาปที่แต่ละบุคคลทำออามาอย่าเอาไปประสมประสานกัน แม้ว่าผู้นั้นจะทำความดีเข้มแข็งอยู่อย่างไรแต่ถ้าผู้นั้นมีกรรมชั่วติดตัวมาถึงเวลากรรมชั่วมันให้ผลแล้วกรรมดีที่ทำนั้นมันก็ต้านทานไม่ได้มันก็ให้ผลไปนี่แหละต้องเข้าใจให้มันได้สัตว์ได้ส่วนกันอยากไหวเข๋ความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่นะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะ ไปมองเห็นว่าบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นไม่สามารถจะช่วยตัวให้พ้นทุก์ได้ทำบุญกุศลมาเท่าไรยิ่งมีความทุกข์มากบางคนก็ทำดีมาเท่าไรก็ยิ่งมีใครไม่เห็นดีด้วยมีแต่ผู้ยกโทษตีเตียน เลยน้อยเนื้อต่ำใจแหมไอเรานี้ทำดีอยู่กว่านี้ยังไม่มีใครยกย่องสนรเสริญเลยนี่แต่ผู้ลินธาติเตียนชรยว่าความดีที่เราทำนี้มันจะไม่มีผลกัมังอย่างนี้แหละคนไม่เขารบต่อเหตุผลนะ่ะไม่รู้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 ไปอยู่ไหนไปที่ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนมีแต่คนคัดค้านมุรีมันต้องรู้แจ้งในเหตุปัจจัยเหล่านี้ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอนไรหนึ่งที่ไม่ดีไม่งามนะมันติดตามมาแต่หลหลังถึงเวลามันให้ผลแล้วมันก็ให้ให้ผลไป บางคนก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายให้สุดโทรมไปก่อนไว้ที่ควรจะเป็นไปเจนอายุไม่ทันไรก็ดูสภาพร่างกายแล้วรู้สึกว่ากลายเป็นคนแก่ไปมากกว่าอายุอานามอันมูนี้มันต้องรู้ไว้ มันร่วนแต่กรรมเป็นเครื่องตกแต่งทั้งนั้นเลยเฮ้อย่าไปสงสัยผู้ใดรู้แจ้งเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมที่มาตกแต่งอัตภาพร่างกายให้ดวงกิจในได้อาศัยอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องอดกั้นทนทานต่อวิบากรรมเหล่านี้ทำอย่างไรไล่ตนฮักได้ทำเอามาแล้วเราจะเอาไป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 ให้บุคคลผู้อื่นไว้ไม่รู้จักหายนึกถึงบุคคล น, นั้นมาเวลาใด ก, ก็ใจขุ่นมัวขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละมันเป็น ร, รมเป็นเวรติดตามไปสนองอะถ้าหากว่าแต่ก่อนนั้นอะตนเคยเกลียดทังคนนี้มาจริงแต่ว่าเมื่อตนได้มาเจริญสมถะวิปัสนา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 มันก็ไม่ได้ติดตามไปสนองในชาติต่อๆไปให้พาการเข้าใจนี่แหละการภาวนาการฝึกขนอบรมจิตใจนี่ก็เพื่อชำระล้างจิต ด, ดวงนี่แหละให้มันสะอาดปราศจากเวรภยัยต่างๆนี่เมื่อเวรทั้งหลายเหล่านี้มันระงับไปหมด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 เริ่มต้นในการให้ทานมาแล้ ม, มารักษาศีลในบริสุทธิ์มาเจริญธรรมถาวิปัสนาภาวนาณาอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นมูนีเมื่อพูดบำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ทําความดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่ที่เดิมถ้าผูใ้ใด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 มันบางทีมันก็อาจเสื่อมจากบุญกุศลอันนั้นได้เพราะว่าผู้นั้นไม่ได้รักษากจิตของตนเรื่อยไปปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจมากขึ้นไปธรรมดาเลยใจนี้เมื่อไม่ได้สำรวมระวังรักษาในเช่นนี้มันก็ต้องสั่งสมกิเลสให้มากขึ้น ไปเรื่อยๆแหละเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้บุคคลสะสมกิเลส ข, ขึ้นมันมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นเลย ดังนั้นแหละพึ่งพากันพิจารณาตามธรรมะที่บรรยายให้ฟังมานี้เมื่อพิจารณาตามแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตต่างกล่าวมานี้ได้เมื่อผู้ใดมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตต่างกล่าวมานี้ได้แล้วก็ผู้นั้นก็จะเพียรละเหตุปัจจัย อันตกแต่งให้ชีวิตนี่ได้รับทุกทนทรมานดังกล่าวมานั่นแหละไปก่อนเมื่อละเหตุปัจใจอันชั่วร้ายเหล่านั้นออกจาก จ, จิตใจได้แล้วก็มาละเหตุปัจใจอันจะผาดดวงกิจนี่เล่ร่อนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ให้เบาวางออกไปจาก จ, จิตใจก็ได้แก่อุปทานขันธ์ทั้งห้านี้แหละ ความหลงยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแม้ว่าบุคคลจะทำบุญกุศลทำความดีอะไรอยู่ก็ตามแต่ถ้าไม่สอนใจนี้ให้ปรุงให้วางขันห้านี่ล้วก็นี่แหละมันเป็นตัวกรรมนำดวงขีดนี่ให้ไปเที่ยวเกิดพอในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปไม่มีที่ที่สุดตรงได้มัน ข้าปฏิบัติดังกล่าวมานี่มันก็แล้วแต่บุคคลผู้ฝึกตนอบรมตนมาได้เท่าไหร่นี่ถ้าหากว่าผู้นั้นเพียรพยายามละความชั่วแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อความชั่วมันเบาบางไปความดีมันจเจริญขึ้นอย่างนี้ บุญกุศลอันเนี่มันก็หนูนจิตใจให้ทําความดีเรื่อยไปไม่หยุดไม่ยัง้งเอาจิตที่ยังไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างนี้ก็เพียนเพ่งพินิษพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในน้ําในรูปในขันทั้งห้าอันนี้ให้มันเห็นได้ตามเป็นจริงเพื่อจะได้ละความยึดมั่นถือมั่น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 มันก็คล้ายความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆอจนกลัวมันจะละความยึดมั่นถือมั่นได้โดยเด็ดขาดดังนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรไม่ประมาทปฏิบัติตามคําสอนของผู้เผยเจ้าผู้นั้นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา